วิธีเข้าถึงพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกคนที่เรียกว่าเป็นพุท ธ, ธมามะกะถึงพระพุทธเจ้าและถามและส่งว่าเป็นเจรณาทีพึงนัตถิเบตนาหนังอันยังพุทโธเมตนาหนังรังธโมเมตนาหนังวังทั้งโคเ ม, มตนาหนังวัง ที่เพื่งนอื่นบวกมีนอกจากพุะประธาพระสงค์แล้วมันกลกาวก็นอยู่มันเหมาะอันเจลิญเกินแต่หากความถึงแท้ที่จริงยังไม่ถึงเป็นอย่างนั้นพู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าจะต้องเอาเป็นสรณะที่เพึ่งนจริงๆอย่างจัง ให้อย่างท่านให้คำปริการว่าพุทโธเอาเป็นอารมณ์แล้วพุทโธเนยอย่าให้ลืมเอาพุทโธคำเดียวนะ้นให้แน่วแ น, น่ในคำพุทโธเดียวนะั้นจะพูดจะคุยจะปรึกษาหรือ เรื่องกิจการงานต่างๆต้องนึกถึงพุโทโธอยู่เสมอเอาพุโทโธนั้นปทีครึ่งของให้คิดว่าการที่นึกถึงพุโทโธนั้นไม่ได้เสียการอ่านนึกถึงพุโทโธไม่ได้เสียการงานอะไร ลรวประกอบภารกิจใดๆทั้งสวงมดใจนั้นแนนนอนดึงคุดโถยเสมอการ ง, งานนั้นกัไม่ได้เสียมีเพิ่มสติเข้าให้มั่นคงเขาอีกอย่างเราทำสวนน่นขุดดินฟันไม้อยู่กระตามเ เอานึกพุตโธในใจใจนึกพุตโธดังสติควบคุมอยู่เสมอการกระทำการงานต่งตางๆมันก็ไปพ้องกันสตินั้นมีใช่ว่ามันจะห่างเหินจากตัวเมื่อไรสติตั้งมั่นอยู่แล้ว ทันสติมันไปคมอยู่ทั่วตัวพุทโธนั่นเนื้อพุโธเสมอในเวลาที่ทํางานมันก็แวบออกไปพุทโธงก็มีอยู่นั่นจะคิดนึกสิ่งใดมันก็แวบออกไปพุทโธก็มีอยู่ในนั้นสติมันก็มีอยู่ในนั้นมันแล้วเสียเร็ว หน้าจิตของเรามันเลีวแสนเดียวทีสุดเรานึกพุโทโธแน้ว่าท่านถึงตัวจริงถ้าถึงตัวจริงแล้วนั่นจะรู้ร้วยตนเองว่ามันมีดีวิจิตอะไรในพุโทโธน่รู้ร้ดยตนเอง ไม่้จ่มีคนปืนป่นบอกให้ก็รู้ได้ท่านมีนิทานเล่าเรื่องไว้ว่าตาคนหนึ่งแกนึกแกเอาเทพุโทิกรรมอยู่ตลอดกาลเวลามาวันมาปีหนึ่งเกิดฟ้าแล้งฝนไม่ตกอดเข้าอดปลาคนทั้งหลายพาทันอดอยากมดทางบ้านทั้งเมือง ถ้าแก่านั่นก็เลยนึกเอาพุโทโธแล้วนะ่ะเศษใไม้กินแทนอาหารย่างชีวิตให้เป็นไปนี่นึกถึงพุโทโธคาท่านท่านแชกุต้าหอนไว้เราไม่อดอยากถึงขนาดนะเศษใบไม้กินหรอกอยู่ดีๆนี่แหละ นึกถึงพุทธโธเสมอจงเรียกว่าสาระที่พื้นเอาพุทเอาพุทธโธเป็นที่พึ้นเราเนี่ยเมื่อท่นถึงพุทธโธยังว่าท่านเอาพุทธโธเป็นที่พึ้น เราเลยหนีจากพุทโทก่อนเสียลืมหลงลืมไปเสียพังเผอหล ง, ล, งลืมไปทั้งอื่นเสียของที่ขึ้นของเราเลยไม่ทันถึงอังนั้นใช้การไม่ได้ให้ถึงจริงๆอย่างคล้องใจคล้องตาคล้องใจเมือ่อพุทโทก็คล้องอย่างนั้นใจก็คล้องอยู่อย่างนั้น กระทั่งคนโบราณท่านพลา ง, ร, งรั้งเพื่อเผยหลงลืมสติโดยการถานหกล้มก็ดีแล้วการทำทำของแตกก็ดีมันลึกได้ยังค่อยระลึกได้พุทโธธรมสังโฆข้าว่าวเป็นพุทโธธรรมสังโฆค่อยระลึกได้อันนั้นแสดงว่า ใจมั่นแต่ยังเผลอสติอี่วถ้าเราทำทุกอิริยาบทตั้งมั่นเยอะคุณกุโทจริงจงจังสามารถที่จะระงับของโลกของโกรธของลมให้เบาบางลงไปได้ พุโทโธตอนนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์พุโทโธคานี้มีคำมีอำนาจตาที่หาโปรดกันก็หายคำน้พุโทโธเอายิงจริงนะพุทโธจย่างนี้จริงพระพุทเจ้าเหมือนกับพระพุธทธเจ้านั่งอยู่เฉพาะหน้าอายเกิดความละอายพระพุทธเจ้าขึ้นมาเหมือนกับพระพุธทธองค์ นั่งเฉพาะหน้านั้นเลยจะโกรธก็โกรธไม่คืไม่ออกจะรักก็รักไม่ึ้นจะเกียดจะชังก็ชังไม่ลงคันพุทโธถึงจริงเนี่ยพุทโธจึงว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอานาจสามารถ คงขอปกปักรักษาให้พ้นพยันตลาไดพ้นได้พ้นจากโลกได้จริงๆพุโทโธนี่จะยืนเดินเหินไปนวาจะนั่งจะนอนจะขึ้นจะเดินอะไรบางเราพุทโธนั้ น, อ, น, นออกหนารู้ตัวอยู่พุโทโธอยู่กับเรา รู้ตัวอยู่เราถือไม่ได้เมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วพุโทโธจนเป็นพื้นฐานนานนะข้าพุโทโธจะรวมเข้าไปอยู่ภายในใจรวมลงเป็นหนึ่งลงในใจ คำว่าพุโทโธไหายไปจิตใจแน่วแน่เป็นนั้นหนึ่งอันเดียวนั่นแหละถึงตัวพุโทโธแท้เหมือนกบเหล่าหวาวัดนี่คิดวัดเห็นเป้งอยู่ใครเดินไปเดินมาเดินมา เข้ามาถึงเดินมาใกล้มาใกล้มาพอเข้ามาถึงวัดเห็นเพ่ปปงวัดเห็นเพ่ปปงเลยหายไปจะชาบไปอยูนะ่ไหนนั่งกับโบสถ์นั่งกับกุฏีนั่นกับโสรมสรานั่นกับป่าไผนั่งกะต้นไม้อะไรต่างวัดเห็นเพ่ปปงเลยหายหมดุดฉันใด พุโทโธเมื่อเราเข้าถึงที่เมื่อเข้าถึงที่แล้วเมื่อเข้าถึงจุดรวมแล้วนั้นพุโทโธเลยหายไปทําโมก็เช่นนั้นเหมือนกันเราจะเอาเอาธโมโอ้เป็นคำปฏิกรรมก็ได้แล้วท่านโคนเป็นคำปฏิกรรมก็ได้มันลงจุดเดียวกันนั่น ือเราพิจารณาพุดโทนัน้นคำตักเตือนของเราอยู่เสมอเสม อ, สมอทำชั่วทำผิดคิดชั่วคิดผิดมันเตือนเราอยู่เสมอนั่นเรียกวักรธรัมเตือนไม่ให้ให้เราละอายให้เรากลัวให้เราละความชั่วนั่นเรียกวัตรธรรม ไม่กล้ากระทำความชั่วต่อไปอยู่กับพุโทโธคนเดียวเท่านั้นเน่ยไม่กล้าทำความชั่วเลยคิดออกไปนิดเดียวก็รู้จึกตัวคิดคิดแผ่ออกไปจากคนดีนิดเดียวก็รู้ตัวได้อาการรู้ตัวอยู่เสมอเสมอนั้นคือพระธรรม พระธรรมย่อมแนะนำให้คนทำดีละชั่วทำดีพระธรรมคือสติตัวสติเป็นพระธรรมจติรู้สึกตัวรอบครอบรอบตัวอยู่เสมอทำอะไรก็รู้ตัวอยู่เสมอ เราไม่กล้าทำความชั่วเพราะเราหวังดีปรารถนาดีเสมอฝึกหัดปฏิบัติถ้าหากคิดชั่วนิดเดียวรู้จักประอสติจิไปพระธรรมนั้นห่างจากเราเรารู้ตัวรู้เท่าอยู่ตลอดเวลาพระธรรมแ้นอยู่ใกล้ชิดดวงเราเข้ามา เมื่อรวมลงไปได้เข้าถึงพระธรรมเหมือนกันพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เข้ า, า, เ, ขาเข้าถึงกันเดียวทั้มหมดพระธรรมละชั่วธรรมดีนึกถึงพระสงฆ์ค่ะเน่แล้วจะนึกเออพระสงฆ์เป็นเจราหน้าก็เอา ที่ให้เข้ากับว่าพุโทโธธรรมสังโฆพระพุทธธรรมประสงค์เป็นฐานะที่พื้นของเราที่พื้นอื่นไม่มีคือเอาพระสงฆ์มาเป็นที่พื้นพระสมสาวกของพระเจ้าที่แท้จริงปฏิบัติดีปฏิบัติกรงปฏิบัติชอบเป็นไปเพื่อสามิ ปฏิปณน์คือทำของง่าครกกาไว้และบูชาปฏิบัติปเป็นไปเพื่อคนทุกข์เราเราลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์เอาคุณความดีนั้นมาไว้ที่ตัวของเราเราปฏิบัติในนี้ ปฏิบัติยังไงกันดีหรือไม่ดีบอกาว่าปฏิบัติดีเท่าที่เราจะปฏิบัติได้ตั้งใจปฏิบัติดีแล้วสุปิปัณโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกสิ่งทุกอย่างกายวาจาใจเวลาเนี้ะทำอะไรอยู่ ไม่จะประกอบภาระธุระเลยทั้งหมดคู่ชู้ปฏิพันโนมันก็โกงละสิคงก็หาทาง ม, มารรคผลนิพพานโกงให้ทางโงหาทางคนทุกข์จิตใจ ม, ะ ม, ะมะันมอกแงกงอนแงนคอนแขนทั้งมันในคุณพระในคุณพระธรรม มนงแนีงแ่คอนแคนกันต่างกร็รู้ตัวอยู่อ่ะมันวอกแวกไปมาต้อมเข้ามาหาทางกลงนั้นรวมเข้ามาหาทางกลงนั้นป้องกันนให้มันดีเยี่ยงไปทางห้องมันก็กลงเล้วสิ ทางกลรงทางมากครงเราก็รู้เรากิบัติอย่างนี้มันกลรงไหมหรือไม่กลรงเราก็รู้ได้การปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นสาไอเป็นสามีจีบันโตจีบโน เราเป็นใหญ่เราเป็นมู้นาเรามีอำนาจมีพลังกำลังใจต่อต้านกองกิเลสทั้งตัวมดัดปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อเร็วร้ายเป็นไปเพื่อเร็วสาม คนพาทัตโงกนี่ตั้งมันอยู่ในที่เดียวเมียว่าสามีจิตปฏิปโนนายจิตปฏิปโนก็ปฏิบัติอันเดียวกันนี่แหละเพื่อพ้นจากทุกปฏิบัติอย่างนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นหรอ ว่าสามีจิายาตปฏิปนโนคุณะธทรมาอยู่ในตัวของเราหมดอุชุสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาติปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสี่ข้อที่นีแหละมารวมในที่เดียวเมื่อเราทำถูกอย่างนี้ ก็จะรวมลงไปเป็นอันหนึ่งแล้วลืมมดข้อพ น, นันทั้งสี่ข้อจะลืมมดรวมมดัมมดทั้งสี่ข้อเลยมารวมเป็นอันเดียวมดพระสงฆ์สาวกของท่านที่ปฏิสุปฏิปโนอุชูปฏิปโนญาญปฏิปโนสามิจีปโนสามิจีปฏิปโน ข้างกับปฏิบัติเข้ามาหารรวมนีมารวมแห่งเดียวนั่นเลยเป็นพระสงฆ์ไม่ได้อยู่อื่นแล้วคราวนี้พระสงฆ์เขา้ามาอยู่ในตัวของเราแล้วพระพุทธพระสัมพระสงฆ์รวมลงเป็นอันเดียวมันจองมากมาย บรรดาศินทั้งหลายมารวมลงเป็นอันเดียวสมาธิก็มารวมลงอันเดียวแล้วก็เกิดปัญญาความรู้แจ้งขึ้นว่าเราปฏิบัติถูกแล้วเราทําดีแล้วเรารวมลงเป็นอันเดียวแล้ว จิตแน่วแน่เป็นหนึ่งแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาที่เกิดนั้นพเพราะแต่ ก, ก่อนแต่กเก่าแล้วไม่เคยจิตเราไม่เคยรวมอย่างนี้จิตเราไม่เคยเป็นธรรมที่อย่างนี้ไม่เคยแน่วแน่อย่างนี้เห็นจิตของเราของใสเบิกบาน เรียกว่าปัญญาในทีน่นี้อันนี้ปัญญาส่วนปัญญาส่วนนี้ปรัชนาต่างหากขอให้ได้ปัญญานี้ใชปัญญาปรัชนาคือเห็นอ น, นิจจงทุกขังต่างลองมัน เ, เดียวเหมือนกัน เห็นสังขารนั่งฟองมดลงสภาพเป็นดินน้ำไฟรลงนั้นก็ลงอันเดียวนี้เหมือนกันแต่มันเห็นพิษสดางแต่ตางไปเห็นอันนี้ปัญญาเรียกว่าเห็นความดีของตอนสงสารโกฏขึ้นมา ดีก็ามาที่ก่อนอันนี้เรียกว่าปัญญาเราทำเราฝึกหัดเราปฏิบัติตามคำสอนของกุทเจ้าเรียกาศาสนานี้สอนให้คนปฏิบัติให้คนฝึกหัด อบลมตามคำสองของพระองค์แต่เดี๋ยวนี้เราเอา พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสนาที่พึ่งถือไว้ทะก่อนถือว่าเป็นตนเป็นตัวถือว่าเราว่าเขาซยก่อนคั้งเข้าถึงที่จุดแล่ น, นถืออัตตานี่มันเลยเป็นอนัตตา จริงนะครับว่าเป็นสภาพและเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอนัตตาการที่จะเห็นอนาัตต า, าก็เพราะอัตตาเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนรู้เราเป็นคนคิดเุนคพิจารณาคันลงจิตมันลงถึงที่เข้าหนึ่งแล้วนั่นของนัานนี่นั่น ใครเห็นก็ไม่ทราบใครรู้ก็ไม่ทราบใครพยาย า, าก็ไม่ทราบไม่มีใคร น, นั้นเรียกว่าอนัตตานี่เลยธรรมะที่แสดงมาวันนี้จะเรียกว่าถึงกบับพุฏธธรรมประสงค์เป็นชนะที่พึ่ง ยังวัฒนจริงที่พูดให้ฟังข้าเห็นจริงแล้วจะต้องเป็นอย่างที่อธิบายมานี้แล้วจะต้องกำจัดได้จริงกำจัดโทษทุกได้จริงระงับได้ทุกสิทุกประการที่เอเป็นอุปข์ราขัดข้องแก่การปฏิบัติของเรา เาเป็นของศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เห็นชัดจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเหตุเครื่องรางของ ข, องของังไปยึดถือเอาลูกโลหะต่างๆเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นศักดิ์สิทธ์ไรของของนาดของอันนี้นเป็นศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นนะหัวขังงัดดับ ใครได้ท er ุก in. สิ่งทุกประการได้ม่ความเดือดร้อนภายในโลกโกรงหายหมดนั่นยังเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิตสิทธ์อันรูปโลหะต่างๆนั้นมันไม่สามารถที่จะระงับเจียสิ้นโลกโคลงได้หรอกของขนาดนั้นโทษสามนาทิีมันระงับก็ได้ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีก อันนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ละมดจนบริสุทธิ์หมดจดที่เรียกว่าของศักดิ์สิทธิ์อธิบายมาวันนี้ก็เรียนตอนนี้แล้วนั่งราวานาให้มีคำสัตว์ในตัวของเราจะค่อยคขัง เรานั่งสมาธิภาวนาถ้าหัดจิตจะไม่รวมลงเป็นสมาธิภาวนาเมื่อไรเราจะอยู่ในที่นี้แหละตายเป็นตายเป็นเป็นให้ตั้งใจที่ถามอย่างอย่างพระพุทธเจ้าท่านเอาเชื่อมั่นของนั่น ว่าอันนี้แหละทำอย่างนี้แหละ